ข อ, อบนอมเดกพรัตราาานาไตรขอการคณะสงฆ์เพื่อนพิสุสงฆ์ทุกรุกนขอเจริญในธรรมญาณโยมระนักปฏิบัติธรรมทุกค น, นใครมีปัญหาอะไรบ้างที่จะถามเรื่องการปฏิบัตินี้ ที่ยังสงสัยอยู่นะจะได้ได้คุยที่ถูกหรือคุยไปโม้ๆและถูกมันเองมีไหมยอยากถามอยากถามว่าไม่ได้เอาผิดเอาถูกก็หรอก มันคนอยากถามกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียฟอม์อ่อยากถามเดี๋ยวก็จะหาเราไม่รู้ไอ้นั่นเราต้องกรีบควรถามเพราะอะไรจะได้ทำลายฟอร์มตัวเองฟอมนะปฏิบัติฟอมผู้รู้ฟอมเป็นคนเก่งเนี่ยทำลายมันทิ้งซะมันจะเหลือที่บริสุทธิ์ผุดผ่องในใจนะไม่ถามก็คุย ก็ได้ถามนอกรอ ก, กันอะไรไม่เป็นไรฉะนั้นท่านอาจจะพูดหลายๆอย่างนะก็อัตมาก็อีกอันหนึ่งที่เจให้เขาคิดนะคือก่อนจะคุยกันไปเนะี่ยค่อยจะทําอะไรเนะี่ยเราต้องสรุปให้ได้ก่อนว่ า, ามันมีสองเรื่องนะหนึ่งต้องสรุปไปกรอนว่าเราทําอะไรเรากําลังทําอะไร อะไรต้องทำอะไรไม่ต้องทำเนี่ยต้องสรุปไห้ได้ก่อนสองเมื่อรู้ว่าเราต้องทำแล้วเนี่ยเราจะทำกำันยังไงเนี่ยเราจะทำกำันยังไงในสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราจะทำกำันยังไงสามเมื่อทาแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรสามหัวข้อนี่นะหนึ่งต้องสรุปไม่ได้ก่อนว่า อะไรต้องทำอะไรไม่ต้องทำประโยชน์ที่สองคือเมื่อรู้ว่าต้องทำแล้วนะ่ะต้องทำสิ่งนั้นจย่างไงมันจะได้ไม่ไม่เลื่อนลอยนะไม่ต้องทำแล้วทำแล้วมันได้ประโยชน์อะไรถ้าเราทำแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนะี้ยถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ปุ๊บเนะี่ยทุกเรื่องจะเป็นเรื่องการที่จะทำงานได้ง่ายทำงานได้ง่ายเนะีย ไม่ไม่ยากเอาประเด็นแรกก่อนบางครั้งเราฝึกฝึกกันมาตั้งนานเนี่ยนะเราฝึกแล้วเราือนทีเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรและอะไรที่ไม่ต้องทำอันนี้คือประเด็นแรกที่เราจะต้องทาความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ปุ๊บทีเราภาวนาไปภาวนามาภาวนามาภาวนาไปเนี่ยเราไปทำผิด สิ่งที่ไม่ต้องทำเรากลับไปทำสิ่งที่ต้องทำเรากลับไม่ทำมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างเช่นอา้าวเราปฏิบัติทำเนี่ยเราจะเน้นกันนะมันเหมือนกับเราเน้นว่าเราต้องทาลายความคิดใช่ไหม <c oughs> อ่าทีแรกเราฝึกทีแรก เหมือนกับเจ้าความคิดนี่เป็นศัตรูมหาศาลที่ที่เราจะต้องมุ่งมั่นในการจะทําลายมั น, นเนี่ยสังเกตดูเราเพอ ร, รู้สึกว่าตู้คนเนี่ยเมื่อก่อนมีคิดฟังคิดเป็นเรื่องที่ ท, ที่อันตรายแต่พอฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านบอกท่านกล่าวพุ๊บเรู้สึกวเจ้าความคิดที่เป็นตัวอันตรายมากเลยที่ฉันต้องทําลายและเราก็พยายามที่จะปฏิบัติทาเพื่อทําลายความคิดอันนี้มันผิดหรือถูก ทําไปทํามาเอ้ามันผิดนี่หว่าไปอยู่ทํายังไงยังไงความคิดมันก็ไม่หมดสักเียะจะทํำยังไงมันก็ยังขึ้นมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเนี่ยสิ่งเนี้ยเราผลใสเราบูมบ้านที่จะยกมือก็ดีสร้างจังหวะ ก, ก็ดีเดินชมก็ดีภาวนาแบบนู้นแบบนี้ก็ดีเพื่อจะทําลายเจ้าความคิดนี่ให้หมดไปจากชีวิตอยากรู้ไหมว่าวิธีการทําลายความคิดให้หมดไปจากชีวิตทํำยังไง ไม่จริงง่ายๆเลยเป็นเจ้า้ายนิทราแล้มไมก็ไปนอนหลับที่แบบไม่ฝันเนนะนะฉั้นสิ่งนี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องให้ประเด็นให้มันชัดว่าความคิดเราไปทำลายอะไรกับมันไม่ได้ต้องปล่อยไปนะต้องปล่อยไปฉะั้นเราบัฝึกเนี่ย เราไม่ได้มาฝึกเพื่อทําลายความคิดนะต้องเข้าใจเลยชัดเจนเลยเราไม่ได้ฝึกเมื่อมาทําลายความคิดนะจะคิดดีก็ช่างจะคิดชั่วก็ช่างเนี่ยประเด็นเนี้ยต้องให้ชัดเราไม่ได้ฝึกทําลายความคิดความคิดเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของธรรมชาติชนิดหนึ่งของชีวิตที่มันต้องมีทุกทุกุกคนแม้แต่คนบ้ามันยังคิดเป็นใช่ไหมอ่ะ ใช่คนปัญญาอ่อนเนี่คิดเป็นเลยว่าจะต้องอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยแน่ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันต้องมีมันเป็นธรรมชาติชิ้นหนึ่งของชีวิตที่จะต้องคู่กับเป็นกับชีวิตจนกว่าชีวิตจะดับไปแม้แต่กำลังกำลังพูดอยู่เนี่ยต้องใช้ความคิดไหมอืมต่ ก, กินข้าวสักกินข้าวสักจานหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความคิดไหมจะปรุงข้าวขึ้นมากินเนี่ยต้องใช้ความคิดไหมวันนี้กวรจะคิดอะไรจะกินอะไรดีที่ต้องคิดไหม แล้วคนสุดท้ายว่าฉันจะทำลายความคิดต้องคิดไหมเอาเข้าไปอีกใช้ความคิดไปอะไรกับความคิดกตีกันหมดเลยชีวิตเลยวัวมั่วเนี่ยทีนี้เราก็รู้แล้วเรื่องหนึ่งเนียคือเรื่องความคิดนี่เราไม่ต้องไปยุ่งเลยใช่ไหมหนึ่งไม่ต้องไปทำลายมันไม่ต่อยทำอะไรก็มันปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหล ะ, ะมันจะสบายเวลาภาวนาเนี่ย มันก็ says, เกิดความคิดน ah, eh <Kay>. <yun> ี่เกิดเองหรือเราทําให้เกิดอช่ไหมเกิดขึ้นมาเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทําให้มันเกิดนะมันเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมมันเกิดขึ้นมนเองมันแล้วเวลามันหายมันหายไปเองมันไม่ได้เราทําให้มันหายมันเปลี่ยนเรื่องขึ้มันเองมันไม่ได้เราทําให้มันเปลี่ยนเอามันก็เปลี่ยนมันเองอีกอ่ะเวลามันหายก็หายไปเองอีกเวลามันขึ้นก็ขึ้นมาเองอีกใช่ไหม แล้วเวลามันอยู่มันอยู่ของมันเองหรือเราทําให้มันอยู่งงกันนะไม่แน่ใจกันบางทีมันหายแล้วก็ยังจะสร้างให้มันอยู่อี ก, กมันก็อยู่ของมันเองตามตามเรื่องของมันนั่นแหละนี่อา่าวประเด็นที่หนึ่งเจาะไปเลยหนึ่งความคิดอย่าไปทําอะไรกับเข า, เอาสองสองอีก การเคลื่อนไหวของชีวิตเนี่ยต้องทําขึ้นมาไหมอ่าไอ้สร้างจังหวะกันยอกยอแยกๆพูดไปดีเท่าไหร่นะครับพ <c oughs> ูดดีเดี๋ยวก็เดือดเถื่โกหหาจใจไอ้ที่เราสร้างกันจังหวะกันอยู่ไอ้ตัวเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องทําขึ้นมาไหมเออเออชักคงนะเราต้องทําขึ้นมาไหมไอ้ตัวเคลื่อนไหวเนี่ย เฮะดูง่ายง่ายหัวใจใครทําให้มันเคลื่อนไหวเออใช่ไหมลมหายใจใครทําให้มันเคลื่อนไหวออใช่การเคลื่อนไหวทั้งหมดของร่างกายที่เรเรามีสองกลุ่มไงกลุ่มหนึ่งมันเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เราจัดท่าทางขึ้นมาเแต่ทั้งหมดเนี่ย นอกจากแล้วการตัวเคลื่อนไหวเนี่ยเราบังคับบัญชามันได้ไหมได้ไหมใช่คน <c oughs> เป็นอวบพาดเนี่ย <c oughs> คนที่เป็นอวบพา ท, ที่เคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยอยากเคลื่อนไหวจะตายยังเคลื่อนไหวไม่ได้ฮะถ้าเราคิดเราบังคับมันได้เนี่ยโอเคเลยเราก็สั่งมันได้ตอนนี้ฉันต้องการเคลื่อนไหวนะแต่มันเป็นไม่เคลื่อนนี่ดิใช่ป่ะคนที่เป็นอวันนี้ไปดูลุงพ่อบุญธรรมก็เป็นกัน ท่านเคลื่อนได้ซีกเดียวอีกซีกหนึ่งเคลื่อนไม่ได้ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนท่างเคลื่อนได้ทั้งสองซีกอ่ะพอผลสุดท้ายถึงเวลาปุ๊บอามันอยากจะไปกไป็ไปโดยไม่ไม่ได้บอกลาสั่งกล่าวอะไรสักหนึ่งบังคับมันก็ไม่ได้อยากไม่เคลื่อนก็ไม่เคลื่อนเฉยๆทั้งที่ใจเรายาญ่จะเคลื่อนมันก็ไม่เคลื่อนอา้าวเนี่ยการเคลื่อนไหวก็เป็นขึ้นมาเองมันอยู่เองมันหายเองมันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะ เราต้องการเรียกร้องมันเช่นไล่ไปเรื่อยๆนะ่สิ่งที่เราไม่ต้องทำเนะี่ยเยอะแยะแบบเช่นตาเนี่ยเราต้องทำให้มันเห็นรูปไหมไม่ต้องมันเห็นเองหูเนี่ยเราต้องทําให้มันไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราต้องทำให้มันไหมถ้าที่เสียงบางเสียงเราไม่ชอบมันก็จะยินน่ะที่เสียงบางเสียงเราชอบเราก็ไม่ได้ยินเราอยากได้ยินก็มไม่ได้ยินอีกเช่นหูเนี่ยก็มไม่ต้องทํามันอีก หูมันคู่กันอยู่แล้วมันทําหน้าที่หูกับเสียงมันทําหน้าที่กันอยู่แล้วที่ต้องได้ยินไม่ว่าเป็นเสียงสิ่งนั้นเสียงนั้นก็จะเสียงที่คุณชอบหรือไม่ชอบก็ตามเสียงชมเสียงด่าเสียงยินทาเสียงว่าร้ายเสียงสันเซินเยินยออะไรก็ตามทุกเสียงหูมีเป็นสิทธิ์ปฏิเสธไหมเราทําให้มันปฏิเสธได้ไหมเอาอะไรอุดหูไหมใช่ไหม อันนี่เชื้ตาก็เหมือนกันทุกอย่างนะเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธมันตาเนี่ยมันก็ต้องเห็นรูปเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้มันไม่เห็นไม่รูปแต่เพราะมันเป็นคู่กันธรรมชาติก็ทำขึ้นมานะนอกแก้วว่าตามันเสียนั่นก็เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่มันไม่เห็นถึงอยากเห็นเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเรื่องตากับหูตากับรูปก็ไม่ต้องไปทาอีกฉะน้นคุณอย่าไปทาพยายามไปทำนะตากับรูปนะ อันไหนรูปดีๆเราชอบดูใช่ไหมอันไหนรูปไม่ดีเราชอบหลับตามั่งหันตาหันหน้าหนีมั่งใช่ปะแต่ใจแต่ใจหันตามมั้งหลับตามเห็นภาพขยับขยงบปุ๊บหลับปุ๊บมันขึ้นในมโนใจอีกตางหตาไม่เห็นแต่ใจเห็นขึ้นภาพมาอีกต่าฉะนั้นตาก็เหมือนกันเมือนหน้าที่เห็นนี่มันมันไม่เกี่ยวนะว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบมันไม่เกี่ยวเลยเห็นเป็นกันแหละ เพราะมีหน้าที่เขมันหูเหมือนกันฟังไปไงนะ่ามันเป็นธรรมชาติของมันที่เราไปทําอะไรมันไม่ได้หรอกแต่คนส่วนใหญ่ชอบไปทําชอบไปหาตาหาไปทําคืออะไรไปสร้างรูป ส, สวยให้ตัวเองได้ดักจูบไปสร้างเสียงเพราะพระให้ตัวเองอยากไปฟังทุกคนชอบไปทําไปจมูกเหมือนกันเวลามันได้รับกลิ่นเนี่ยต้องทํามันไหมกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นมันก็โดนข้งมันธรรมดาใช่ไหมอันเนี้ยไล่ไปเนี่ยลิ้นเนี่ยเวลารู้รสอ่ะ เราท hey, yeah, ES, yeah, ํามันได้ไหมวันนี้อยากจะบางทีช่วงป่วยนี G ่นะอยากจะรู้รสรู้ไหมไม่รู้ว่ามันป่วยกินอะไรแทนกินน้านะไรกินน้ําตาลแล้วว่าหวานไอ้ตอนป่วยกินยังขมเลยเคยกินไม่น้ําตาลขมอ่ะเคยนะแต่ว่าป่วยโอหกินอะนน้าตาลว่าหวานหวานที่ไหนมันขมอ่ะชลลินมันก็รู้รสเองเหมืนแล้วกายเนี่ยแหละบางคนเนี่ยโอ้ยฉันไม่อยากเจ็บ ไม่อยากปวดไม่อยากเมื่อยไม่อยากหนาวไม่อยากร้อนเนี่ยร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยเราไปทํามาได้ไม่ว่าจะให้มันเอาอะไรไม่เอาอะไรได้ไหมร่างกายเนี่ยเอาอีกแล้วส่วนร่างกายก็ไม่ต้องทําอีกเพราะมันเป็นข้งมันอยู่เงินเป็นคู่กันอนะ่ะเป็นของคู่กันนะอารมณ์ของคู่พวกเนี้ยนะมันคู่กันมีกายก็ต้องมีสิ่งที่เกิดกับเออใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่ ง, งตึงไหวเจ็ปวดเมื่อยเปี่ยนนี่ใช่ตัวกายไหม เรือของที่เกิดคู่กับกายฟังดีๆเดี๋ยวผมัวนะเราอะชักให้ว่ากายก็คือกายกายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะมันก็หูนี่แหละหูเนี่ยมันก็มีหน้าที่ข้ามันอยู่เฉยๆแต่เสียงมันมากระทบเองมันกายเหมือนกันเนี่ยแต่แต่หัวจาะเท้าเท้าจาะหัวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะเดี๋ยวมันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งมันเคีงมันตึงมันไหวมันเจ็บมันปวดมึนไป นั่นเป็นสิ่งที่มาเกิดกับกายที่คู่กับกายแล้วไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธกับมันด้วยใช่ไหมจะทํายังไงก็ไม่ได้มันต้องนอนนานๆว่ามันสบายสบายจริงไหมเดี๋ยวก็เอาละเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยใช่ป่ะเดินนานๆเนี่ยมันสบายไหมอะไรอะมันสบายสักวันหนึ่งไม่ก็อดี๋ยวก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยท่านกายเนี่ยมันต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ชอบไปทะเลาะใช่ไหมอันไหนที่เรา อันไหนที่เราแบบทําให้เราให้ร่างกายมันรู้สึกว่าไม่ดีอ่ะเราก็เกลียดมันอันไหนที่ทำํำร่างกายรู้สึ ก, กดีๆเราก็ชอบมันยึดมันอยากมันแต่ผลสุดท้ายมันฟังเราไหมสองอย่างเนี่ยทั้งของที่ดีๆแล้วเราอยากได้อยู่ให้มันอยู่กับเราอ่ะมันอยู่ไหมถึงเวลาก็ไปไอของที่แย่ๆที่เกิดกับร่างกายเนี่ยเราเกลียดมันแค่ไหนเราไล่ไมันได้ไหมไม่ได้ถึงเวลาหมดเหตุปัจจัยหมด เมือหมดเวลาเข้ามันมันก็ไปใช่ไหมบามของดีบางทีเราเยืดเยอะนะอยากให้อยู่นานอยากให้อยู่ก็ไม่ได้ที่มาทำใจอีกอ่ะใจเราไปทําอะไรกับอารมณ์ที่เกิดกับใจได้ไหมต้องแยกให้ชัดอ่าหนึ่งตัวใจสองตัวอารมณ์ที่เกิดกับใจอันเนี้ยเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเลยเราจะได้รู้จักว่าเราจะเราจะพูดเส ม, มอว่าเราทําใจทําใจทําใจเราทําอะไรกันแน่ระหว่างทําใจกับทําอารมณ์เนี่ย ดูดีดีด๋ยวบางคนบางคนไปทําอารมณ์ไม่ใช่ทาใจนะเช่นทําให้มันสงบทําให้มันสงบเนี่ยเป็นเป็นเป็นใจหรือเป็นอารมณ์เออฉันพยายามจะทําให้มันสงบทําให้มันไม่คิดทําให้ทําให้ใจมันไม่คิดทําให้ใจมันสงบจริงๆไอ้ความสงบหรือความคิดเน่ะมันเป็นตัวใจหรือเป็นตัวอารมณ์ใช่ไหม มันเป็นตัวอารมณ์ใช่ไหมไม่ใช่เป็นตัวใจใจก็เหมือนตัวกายนี่แหละมึงจะสงบ ก, ก็สงบไปแต่ไม่ใช่เรื่องของเรามึงจะฟุ้งก็ฟุ้งไปก็เรื่องไม่ใช่เรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของอารมณ์จะสงบก็ตามจะฟุ้งก็ตา ม, จ ะ, ตามจะคิดก็ตามนั่นเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เรื่องของใจแล้วเราก็จะพยายามจะทาเจ้าตัวอารมณ์นี่แหละทํำยังไงยังทําให้อารมณ์ตัวเองดีๆพออารมณ์มันดีเรารู้สึกสว่าเป็นงไงใจเราก็ ใจเราก็จะดีใช่ไหมยิ้มแย้มแจําใสหน้าตาเบิกบานใช่ป่ะแต่พออารมณ์ไม่ดีปุ๊บจะทไงใจเราก็อืหน้าบูดหน้าบึ้งมึงมึงกูกูวาว่าไปเรื่อยไปใช่ป่ะพรอสุดท้ายเนี่ยไออารมณ์ที่มันดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันใช่ตัวใจไหมไม่ถึงเวลาพางทีมันก็จะสลายไปสลายไปสลายไปเอาแล้วทีนี้ทั้งหกตัวเน่ะ เราไม่ไดไปทําอะไรมันเลยตาเราต้องเป็นต้องไปทําให้เห็นรู้ไม่หูจําเป็นไม่ต้องพไปหัดฟังเสียงดีก็ไม่ได้อีกจมูกก็ไม่ได้อีกลิ้นก็ไม่รมู้ลิ้นก็คู่กับรสกายก็คู่กับสัมผัสใจก็คู่กับอารมณ์ทีนี้เราต้องมุ่งประเด็นเฉพาะสิ่งไหนเราไม่ต้องทําคืออารมณ์ทั้งห้าทั้งหกเนี่ยไม่ต้องไปทํามันเลยแล้วมายกมือทําไมดิ ยกมือทําไมเนี่ยเราต้องเข้าใจเมืเรารู้จักหลักตรงนี้ชัดๆแล้วที่เวลาเราทําปุ๊บเราจะมุ่งประเด็นได้ชัดเจนไม่งั้นเราผิดนะยกมือไปเพื่อให้สงบนั่นคือยกมือเพื่ออะไรเพื่อให้สงบหรือเพื่อทําใจออกจากความสงบอยกมือเพื่อให้มันดี เรายกมือเพื่ออะไรเพื่อให้ใจออกจากรู้สึกอะไรที่มันดีๆให้ใจมันออกไปจากดีหรือยกมือแล้วมันรู้สึกแย่ๆเราต้องรทําไปแล้วเนี่ยให้ใจมันออกมาจากแย่ไม่ใช่ไปทําลายแย่ผลสุดท้ายทั้งหมดอ่ะอารมณ์ทั้งหมดยังคงเหลืออยู่เหมือนเดิมคงเดิมเพียงแต่เราทํายังไงว่าให้ใจเราเนี่ยออกจากสิ่งพวกนั้นเป็นแยกตัวออกจากสิ่งแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านั้นได้และอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างสบาย แต่อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะมันเป็นของมันตามอย่างนั้นเนี่ยตามเหตุของมันอา้าวพอเข้าใจยังทีนี้เรื่องหกเรื่องโอ้อา้าวแล้วเรามานั่งทําอะไรวะเนี่ยทาไปทำมาครูบาอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องทําตัวเดียวคือตัวรู้สึกใช่ไหมใช่ไหมปากกระใจตรงกันไหม อ้าวสวยแล้วทีนี้อ่าก็อ่ากระจายไปตรงกันแล้วทีนดี้วอยปากว่าใช่ค่ะแต่ใจฉันจะเอาอยู่เรื่อยอยฉันจะเอาอยู่เรื่อยนะค่ะสวยงาเลยดิ้นั้นต้องเอาแหละทีนี้เรารู้จักอันหลักของเราต้องทําตัวเดียวพอเพราะว่าอะไรอารมณ์ทั้งหกเนะ่ะมันเหมือนต้นเสาแต่ใจเราตามาชอบอุปมาของวพ่อเทียนมากเลย ที่ท่านเอาดินเหนียวกับข้างฝาปลาใส่กันเราเคยเปิดดูอะที่ท่านแสดงสอนแบบเสนเนี่ยเอาข้างฝาแข็งแขงแล้วเอาดินเหนียวอ่อนๆไปปาปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรขึ้นมาใช่ไหมดินเหนียวมันอ่อนข้างฝามันแข็งมันเกิด อ, อะไรขึ้นมาติดใช่ไหมปามัานแล้วก็ติดหมดติดหมดติดหมดใช่ที่ท่านมีลูกกุญแจ มีลูกกุญแจใครเคยดูน่าจะเห็นใช่ไลูกกุญแจจริงๆถ้าเอาลูกกุญแจโยกไปปึ๊งไอ้ข้างขวามันก็แข็งลูกกุญแจมันก็แข็งมันเกิดอะไรขึ้นมาร่วมไปจากกันเลยใช่ไหมอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนต้นเสาเหมือนข้างขวามันแข็งตัวมันแบบเนี้ยมันคงตัวมันอยู่แบบเนี้ยมันจะแปลสภาพมันไปแบบเนี้ยมันไม่สนใจเราหรอกอารมณ์ดีไม่เคยสนใจเราไหม ถ้ามันสนใจเราเน่ะมันคงไม่หนีไปจากเราหรอกใช่ไหมให้เราเราไปสนใจมันหน่อยใช่ปะเรื่อยอมไม่ดีเหมือนกันเราเรามีแต่จะไล่มันไล่มันมันเคยฟังเราไหมฉะันเราไม่ต้องไปทําเราไม่ต้องไปทําอารมณ์พวกนั้นทั้งหมดเลยไม่ต้องไปคิดมาก่อนอ่ะมันจะมาบ้าแทบตายมุ่งมันจะทําลายมันมุ่งมันจะทําะไรเมื่อไหรู่จะเจริญวันถ้าวันไหนไม่มีความคิดวันนั้นว่ะชีวิตบรรลุอรหันต์ บ้าเลยหรอมันไม่ใช่โอ้โหทามันแทบเป็นแทบตายเลย <c oughs> วันไหนฉันไม่มีความโกรธวันนั้นน่ะฉันคงบรรลุจะแผนคงค้นไปที่ไหนได้มันไม่ใช่สมมุติว่าถ้าเราทําเหมือนกับดินก้อนนั้นที่เป็นดินเหนียวเหมือนความรู้สึกเราที่อ่อนแออ่อนแออ่อนแอถ้าเราฝึกมันเรื่อยๆฝึกมันเรื่อยๆฝึกมันเรื่อยๆมันจะค่อยๆหล่อหลอมตัวเองจนเข้มแข็ง เมื่อมันเข้มแข็งปุ๊บมันมาเจอก็อารมณ์แข็งแข็งแต่แข็งเจอกันทําไงก็ได้ต่างคนต่างก็อยู่ไปใช่ไหมแต่ถ้าแข็งก็อ่อนไป็นไงคนจะถูกลากถูกล่ากถูลูถูกันไปเรื่อยไปเปืี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวถึงอยากจะออกก็ออกไม่ได้ถึงอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะนั่นคืออะไรคือภาวะรู้สึกภาวะของตัวรู้ของคุณอ่อนแอแต่อารมณ์แบบมันแข็งตัวกับมันอยู่อย่างนั้นแหละนะ อารมณ์ดีก็แข็งอย่างอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็แข็งอย่างอารมณ์ไม่ดีแต่เราเนะ่ะเป็นหลงมันจะเฉยใช่ชเลยว่าที่เราต้องเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวเพื่อฝึกอะไรนฝึกตัวรู้ใช่ไหมปากพูดถูกใจทําให้ถูกไม่งั้นยมันจะถูกยําถ้าไม่ถูกแล้วมันถูกยํำแน่ๆแหละถูกยําขยํากันมั่ว ท่า น, นต้องให้ชัดเจนว่าเราต้องทําอะไรที่สรุปประเด็นแรกเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเรื่องที่ไม่ต้องฝึกหกเรื่องเนี่ยไม่ต้องไปฝึกอารมณ์อเราอื่นๆไม่ต้องไปฝึกมาเลยนะแล้วใครยังพยายามอยู่เวลามันง่วงมาฝึกไม่ง่วงใช่ไหมเราไม่ต้องฝึกง่วงครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วใช่ไหมให้ฝึกหัดออกจากความง่วงไม่ใช่หัดทําลายความง่วง มันจะมารอยง่วงก็ให้ฝึกออกจากรอยง่วงนั่นแหละไม่รู้ยังไม่ถึงเวลาง่วงอะ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราจะไปนอนแล้วนะ่ะต้องต้องฝึกออกแล้วฝึกเข้าฮะถ้าเกิดกําลังจะนอนอยู่ค่อยฝึกออกจากความ ง, ง่วงมันเป็นยังไงเนี่ยตายแนละ้วไม่ได้ไม่ได้หลับก็ยุ่งเลยใช่ไหมแต่ไอตอนมันได้หลับเต็มที่แล้วตอนเนี้ยเอาแหละเอามาเป็นเครื่องมือเลยมันมาเท่าไหร่อย่าไปทไําลายมันออกออกมันจะหายไม่หายพยา ย, ยามออก หัดออกซ้อมออกฝึกออกมันจะได้ทํำให้ตัวครั้นตอนหัดออกฝึกออกซ้อมออกเนี่ยมันจะทําให้ภาวะของตัวรู้เราเริ่มหล่อหลอมตัวเองที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้โดยไ ม, โยไม่โดยไม่อาศัยอารมณ์ตรงจุดเนี้จะเป็นจุดชิงกันละถ้าภาวะรู้สึกตัวของเราเองเนี่ยภาวะของภาวะของตัวรู้ของเราเองอยู่กับอารมณ์ได้โดยไม่หวั่นไหวกับอารมณ์เมื่อไหร่เราจะสบายนั่นแหละก็ได้ มันเป็นตัวต่สวัสด์ชันเข้มแข็งต่ออารมณ์อารมณ์ก็เข้มแข็งแล้วแต่ใจชั้นเข้มแข็งกว่าไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่แวะไม่แตะไม่ต้องมองเฉยเฉยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่แกะไม่ต้องแค่มองมันเฉยมันจะหายก็ช่างมันไม่หายก็ช่างวันเราก็จะเห็นมันชัด อันเนี้ยอีกอันหนึ่งเอาแล้วพอเข้าใจแล้วงั้นสิ่งที่เราต้องฝึกคือฝึกอะไรฝึกรู้เอาหละฝึกมันยังไงประเด็นที่สองจะฝึกมันยังไงนี่เห็นประเด็นที่แรกเนี่ยให้เคลียให้ชัดๆก่อนวันนี้โอเคแล้วเราต้องฝึกรู้นะต่อมาจะฝึกมันยังไงประเด็นแรกนะต้องฝึกให้มันแยกกันก่อนว่า อันไหนคือตัวรู้อันไหนคือสิ่งที่ถูกรู้ประเด็นแรกอันไหนคือตัวรู้ อ, อ, อันไหนคือสิ่งที่ถูกรู้นี่ต้องค่อยๆไล่กันไปอันไหนคือตัวรู้เราต้องดูระหว่างตัวง่วงกับรู้ง่วงอันไหนคือตัวรูว้อันไหนคือสิ่งที่ถูกรู้ จะไล่อะไรนี่ง่วงคือสิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้ว่า ง, ง่วงคือตัวอ่าตัวรู้ใช่ไหมระหว่างตัวคิดกับตัวรู้ว่าคิดอันไหนคือตัวรู้อันไหนคือสิ่งที่ถูกรู้อะไรถูกรู้ถูกรู้อะไรตัวคิดน่ยคือสิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้ว่าคิดนั่นคือตัวรู้ ให้ดีๆนะตัวเสียงกับตัวเสียงที่เราได้ได้ยินกับตัวรู้ว่าได้ยินเสียงอันไหนคือตัวรู้อเอาง่ายๆตัวเคลื่อนไหวกับตัวรู้เคลื่อนไหวเนี่ยอันไหนคือตัวถูกรู้อันไหนคือตัวรู้ตัวเคลื่อนไหว นั่นคือตัวถูกรู้ตัวรู้เคลื่อนไหวนั่นคือตัวรู้อ่าจะค่อยๆหัดแยกให้ดีให้แยกไ้ดีเดี๋ยวงงเช่นในบรรดาสิ่งที่ไม่ต้องฝึกทั้งหกนะ่ะเราพูดไปแล้วนะประเด็นเมื่อกี้สิ่งที่เราไม่ต้องฝึกทั้งหกนะ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องมันเป็นตัวรู้หรือเป็นตัวถูกรู้นี่เนี่ยสิ่งทั้งหกที่เราไม่ต้องฝึกเช่น ตาหูจมูกลิล้นกายแล้วก็อารมณ์ทางอารมณ์มันคู่กันใช่ไหมอ่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็อารมณ์ใช่ไหมพวกนี้ทั้งหมดคือสิ่งที่ต้องถูกรู้ไม่ใช่ตัวรู้แต่พอเราไม่ได้ฝึกรู้เราจะฝึกอะไรฝึกคิดความคิดเกิดขึ้นจากทั้งหกนี่เลยเหมือนกันรู้ไหมตาเห็นปุ๊บมันกลายเป็นคิดแทนที่จะรู้ไง การไปไปคิดเนี่ยจะเริ่มเห็นสามประเด็นต์แล้วนะตาเห็นปับ๊บมันเกิดถ้าเราไม่ฝึกรู้ปุ๊บมันรู้อยู่แต่รู้ไม่มีกาําลังปุ๊บก็เลยไปคิดหูได้ยินปับ๊บมันเวลาเสียมันก็ะทบหูเนี่ยมันไม่มีความคิดนะเมื่อกระทบแล้วปับ๊บตัวรู้เราไม่เข้มแข็งมันก็เลยไปคิดใช่ไหมมันก็เลยไปคิดมันก็เลยไปคิดอะ่ะใช่ไหม พอจมูกได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นกับจมูกเนี่ยมันคิดเป็นไหมไม่เป็นหรอกแต่ว่าเมื่อมันมากระทบกันปุ๊บตัวรู้เราไม่เข้มแข็งปั๊บมันก็เลยกลายไปไปคิดงพอจะเข้าใจหลักการแล้วนะมันใชให้มองเห็นชัดๆว่าคืออะไรกันแน่ใช่ไหมกายเราเหมือนกันเวลามันกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเขร่งตึงไหวเจ็บปวดเมื่อเพียเนี่ยมันคิดกันเป็นไหมสองอย่างเนี่ยระหว่างร่างกายกับสิ่งเพียงเราคบร่างกายคิดกันเป็นไหมไม่เป็น แต่พอเราไม่ได้ฝึกตัวรู้ด้ตัวรู้อ่อนแอปุ๊มันเลยไปคิดเพระสุดท้ายพอมันคิดปุ๊บตัวรู้เราไม่เข้มแข็งก็เลยเข้าไปในคิดในความบอกหรือยังฉะนัทั้งหมดเลยว่าถ้าเราไม่เอามันมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกรู้แล้วใช้ฮะมันจะเป็นอุปกรณ์ในการฝึกคิดอ่าทีนี้พอจะรู้รู้ทางไปทางมามันอย่าง ฉันต้องดูให้ชัดว่าแยกให้ชัดเจนว่าอันไหนคือตัวรู้อันไหนคือสิ่งที่ถูกรู้นี่คือประเด็นแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนไม่จะไปยกมือยกมื อ, ยก ม, อยกมือแล้วไม่รู้จักว่าอันไหนอย่างบางทียกมือแล้วไม่รู้ว่าอันไหนเราเอาบางทีนะพอเรายกมือไปปุ๊บโอ้ฉันได้ปฏิบัติทำแล้วฉันได้ฝึกรู้แล้วแล้วพอเยอะแล้วเลิเลยกยกละฉันลืมหมดแล้ว มันไม่ได้เรื่องถ้าทําอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องเพราะช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คุณเสียโอกาสมากเลยทําให้คุณเสียโอกาสมากเลยทั้งที่ช่วงนั้นน่ะมันมีการกระทบแบบเดิมไหมเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันมาเหมือนเดิมปัจจัยเหมือนเดิมแวดล้อมเหมือนเดิมเกิดแบบเดิมตลอดจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะเป็นข้างในข้างนอกก็ตามเมื่อกี้เลยพูดเห็นนะให้ชัดว่าโอเคละหนึ่งต้องแยกให้ชัดว่าตัวรู้ กับสิ่งที่ถูกรู้คนไหนก็ตามถ้าฝึกเป็นปั๊บตรงนี้เขาจะพูดคําว่าแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์นะแยกกายแยกใจที่เขาว่าว่ากันนะแต่เรื่องง่า ย, ายๆแค่นี้แหละแต่มาแล้แยกนอกแยกใน <c ười> คือตัวแยกถ้าเราจับหลักตัวนี้ได้ปับ๊บเราจะก็จะอ๋อฉันต้องการฝึกตัวนี้ ฝึกตัวรู้ตัวเดียวให้มันเข้มแข็งให้มันเข้มแข็งอย่าไปทะเลาะกับอารมณ์เดินแต่ละวันน่ะชอบทะเลาะกับมันใช่ไหม่วงก็ทะเลาะกับมันเมื่อไหร่จะหายสักทีคิดเกี่ยทะเลาะกับมันเมื่อไหร่จะเลิกสักทีอารมณ์ไม่ชอบใจก็ทะเลาะกับมันพออารมณ์ชอบใจเป็นยังไงไปกับมันอีกไปกับมันมั่วไปอีกรอยเลยเพื่อกำลังคุยกันมันๆนี่ยิ่งไปใหญ่แล้วเด้ พอคุยกันไม่ถูกใจก็แยกจากกันสักทีนึงเอามันเลยว่าโอเคล้วเราต้องรู้ประเด็นแรกต้องแยกก่อนว่าหนึ่งตัวรู้สองสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยนี่คือประเด็นเริ่มต้นที่ต้องทําความเข้าใจได้ชัดนะประเด็นที่สองวิธีการฝึกตัวรู้ฝึกยังไงอีกนี่เราฝึกตัวแรกแล้วนะแยกให้ชัดๆว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแต่มาจะไม่พยายามขยายไปแต่ขยายไปเนี่ยมันไล่ไปเนี่ยทุกเรื่องอะไร แล้วให้ดูลักษณะอย่างหนึ่งว่าตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันต่างกันยังไงเช่นโกรธรู้โกรธตัวรู้ตัวเดิมใช่ไหมแต่ตัวโกรธจะจะเป็นอาการะไรชอบรู้ชอบเนี่ยระหว่างตัวโกรธกับตัวชอบเนี่ยเหมือนกันไหมลักษณะไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมแต่ตัวรู้ตัวเดิมใช่ไหมอ่านะอย่างขียนดีๆคิดกับไม่คิดใช่ไหมตัวคิดเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งตัวคิดกับตัวรู้คิดตัวไม่คิดกับตัวรู้ไม่คิดเนี่ย ให้เห็นนะครับตัวรู้จะเป็นตัวเดียวแต่ตัวอารมณ์ทั้งปกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะมันแปลสภาพไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองเรื่อยๆเช่นกลิ่นหอมรู้กลิ่นเหม็นรู้ตัวรู้ตัวเดิมไหมแต่กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเหมือนเดิมไหมแปลสภาพเป็นคนละอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเราสังเกตตรงจุดนี้ดีปุ๊บเราจะแยกออกเลยอ๋ออันนี้คือตัวถูกรู้นะอันนี้คือตัวรู้อย่างเงี้ยง่วงกับไม่ง่วงอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวก็ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งตัวเคลื่อนไหว ก็รู้ใช่ไหมหยุดนิ่งก็รู้ใช่ไหมแต่ตัวเคลื่อนไหวก็ตัวหยุดนิ่งเหมือนกันไหมอ้าไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวตอนนี้พูดเราไม่เหมือนก่อนเดี๋ยวจะพูดเราเหมือนกันยังไงมันต้องไล่ให้ให้จบไม่งันเดี๋ยวไปติดะกูโมวแต่ไปแยกองัวอยูน่นะท่าเอาแค่นี้วันนี้เรารู้จักอ่าโอเ ค, อเคแล้วตัวรู้เนี่ยจะแค่เลยบอกว่าอะไรเกิดขึ้นแค่แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ถ้าเราไปยุ่งกับมันเมื่อไหร่ปุ๊บแบบเราจะไปวุ่นวายกับไอ้สิ่งที่ถูกรู้ แยกให้ตรงนี้ให้ชัดว่าเออมันก็แค่รู้เองง่วงมาก็แค่รู้หายง่วงก็แค่รู้ร้อนมาก็แค่รู้หายร้อนก็แค่รู้เนี่ยตัวร้อนตัวตัวร้อนตัวไม่ร้อนก็คือตัวหนึ่งตัวปวดมาก็คือตัวถูกรู้ใช่ไหมตัวรู้ว่าปวดเนี่ยคือตัวรู้ใช่ไหมหายปวดแล้วก็คือตัวถูกรู้ใช่ไหมตัวรู้ว่าหายปวดก็คือตัวรู้ใช่ไหมเนี่ถ้าเราเห็นงี้พวกออารมณ์พวกนี้มันมันเป็นลักษณะมันแตกต่างหลากหลายมากเลยมันจะมี มันมีอาการของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างต่างกาันต่างกันต่างกันต่างกันแต่ตัวรู้ตัวเดียวผมก็เทียนกูบาจาเลยเน้นตัวเดียวฝึกตัวรู้สึกอ่ตรู้สึกตัวเนี่ยบางทีรู้สึกตัวเหมือนกันแล้วจะงงอตมาไม่ก็ชอบใช้ภาษาเพราะคนเติมเคาว่าตัวลงไปเมื่อไหร่ปุ๊บใจเราจะเอากายทันทีเลยเราจะเอาที่กายทันทีเลยที่ไหนรู้สึกตัวที่ตัวรู้สึกเนียอะอย่างเนี้ยังง ง, ง, งอีกอ่ะ คือคือตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันท่องถอดออกเลยกลายเป็นแค่องค์ประกอบเฉยเฉยไม่ใช่นะเพราะเราเราจะชินมากพอรู้สึกตัวที่ไหนก็เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตัวแต่ที่จริงเนี่ยตัวกายน่ยมันเป็นตัวกายแต่ตัวไปรู้วอาร่างกายมันตื่นแล้วมันเป็นอะเป็นตัวรู้สึกตัวจริงๆเหมือนอาตมากาลังบอกว่าตัวคิดกับตัวรู้สึกตัวว่าคิดะตัวรู้สึกตัวนั่นแหละคือตัวใจจริงๆไอ้ตัวคิดน่นคือตัวถูกรู้ ฉันไอคำพูดเนี่ยจะรู้สึกตัวรู้ตัวหรือ ต, ตัวรู้มันตัวเดียวกันภาวะของว่ารู้กับสิ่งที่ถูกรู้อนนะนะอย่าพูดไปมันจะเป็นงงเขาไปใหญ่เอ า, เอ า, เอาง่ายๆพอซอบโรงมาหน่อยเนึงอธิบายเยอะแล้วเดี๋ยวก็จะเจอนะงั้นให้เข้าใจว่าตัวรู้เนี่ยมันแคอ่อะไรเกิดขึ้นละเพียงเพื่อรู้จะเข้าใจคาพูดนี้เลย เพียงเพื่ออาศัยระลึกคือเอาพวกนี้มากระตุ้นให้รู้กระตุ้นให้รู้ถ้าคุณไม่กระตุ้นรู้คุณจะกระตุ้นอะไรคิดอ่ะเนี่ยคุณมีทางเลือกอยู่สองทางคุณไม่เลือกซ้ายคุณก็เจอขวาแหละอ่ะท่านคุณก็ต้องัพอพอคุณคุณรู้จักตรงนี้ปุ๊บคุณจะรจะอ๋อแม่แม่แต่ตัวรู้นี่ก็เอาไปกระตุ้นเอาตัวคิดมาเอาตัวคิดมาเป็นเครื่องมือกระตุ้นรู้ได้อีกรู้ได้อีกรู้ได้อีกรู้แล้วรู้นี่เร็วหรือช้า คิดนี่เร็วหรือคิดนี่เร็วหรือช้าระหว่างคิดกับรู้อะไรช้าอะไรเร็วคิดเร็วรู้ช้าคุณแน่นใจอะ่ะสองตัวนี้คุณต้องเขา้าใจดระหว่างตัวคิดกับตัวรู้นะอนไรเร็วกว่ากันมันอยู่ที่ตัวฝึกฝน ระหว่างตัวรู้กับตัวคิดเนี่ยอ้าวเอาไพอดีข้าอุปกรณ์ไม่ให้เอาสักหน่อยสมมุติได้ง่ายว่ะตะมาเคาะหนึ่งทีโยมนับหนึ่งเคาะสองโยมนับสามเคาะสี่อันนมาเคาะแต่ละทีแล้วยมนับอันนี้คือตัวคิดนะเราถือว่าเป็นตัวคิดนะพอดันหนึ่งสองสามอย่างนี้คืถือว่าตัวคิดนะด 1, 2, นตดนะแต่อีประเด็นหนึ่งคือเคาะแล้วยมไม่นับอันนี้ถือตัวรู้นะ ามาดูกันว่าอะไเร็วว่าชะอ่อาดูนะ อ, อ้าวคุณพูดอยู่เมือ่อกี้อะอย่จงนี้จสรุปดิคุณพูดอยู่เมือ่อกี้อะคุณบอกตัวคิดเร็วกว่าตัวรู้อะ่ะอา่าทีนี้พอเจออย่างนี้ชักชัดเอกใ จ, จแล้วเอาลองดูก็ได้อ่านี่งๆดูนะเท่าไหร่อ่านนะตั้งใจนับนะ ไม่ใช่ชวนเนาะไรสาระนั่นเนี่ยให้รู้จักว่าอันไหนมันเร็วกว่าอันไหนแล้วมันเป็นแต่ธรรมชาติยังไงให้รู้จักเนี่ยเท่าไหรเท่าไรเดี๋ยววันนี้อีกเท่าไรไม่ใช่ใช่ไหมอ้าวเอาประเด็นที่สองที่คุณไม่ต้องนับดูสิจะยินทุครั้งใช่ไหมติมจางแ ก, กแก๊กแก๊แก๊ก อีกจะยินไม่ทุกครั้งที่มันดังแล้วอันไหนไม่เรียกว่าอันไหนโดยธรรมชาติเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราคิดเนี่ยเราต้องพยายามด้วยใช่ไหมช้าด้วยแล้วต้องพยายามวิ่งให้ทันเหตุการณ์น่ะวิ่งให้ทันปัจจุบันน่ะวิ่งให้ทันกระทบอ่ะใช่ป่ะแต่มันทันไหมจิตของคุณที่พิจิติอยู่กับตัวคิดนี่แหละทําให้จิตคุณช้ามันเลยเรียกว่าติดอารมณ์ วอกวนอยู่กับอารมณ์ยึดติดในอารมณ์สลัดอารมณ์ไม่หลุดแต่แต่ติดคุณจิตของคุณน่ะอยู่กับตัวรู้เนี่ยมันแทบไม่ต้องทาอะไรเลยเพราะมันมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วเพียงแต่มีสติกับมันเนี่ยสติกับมันสติทีนี้คุณไม่ฝึกตัวนี้ยังไงคุณไปฝึกตัวคิดทั้งที่คุณฝึกตัวนี้มันง่ายจะตายมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้ว เช่นตัวรู้เนี่ยแทบไม่ต้องฝึกเขาเร็วงเข้าอยู่แล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยบอกแล้วเวลาเห็นปั๊บเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการการรู้ก่อนเลยเลยไปคิดสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดนะเวลามันกระทบมาปับ๊บตัวรู้จะต้องเกิดก่อนแล้วก็จะเลยกลายเป็นกระบวนการการคิดต่อเราหยุดกระบวนการตัวนี้ได้เมื่อไหร่โอเควิธีหยุดอ่าอ่าจะ ม, มีวิธีหยุดหนึ่งต่อหนึ 2, ่งหนึ่งต่อสอหนึ่งต่อหก งงไว้อวิธีหยุดมนะันอ่ะหนึ่งต่อหนึ่งคืออะไรเอาตัวรู้หนึ่งเอาตัวรู้เนี่ยมารู้อารมณ์หนึ่งเช่นที่เราสร้างจใจหวา น, นี้หนึ่งต่อหนึ่งไม่ต้องไปคิดมากเหมือนกันเราพูดหนึ่งต่อหนึ่งคืออะไรยุ่งยากที่กระบวนการที่คุณบาอาจารย์ท่านสอนว่าหนึ่งต่อหนึ่งคืออะไรเช่อนอารมณ์หายใจเป็นหนึ่งเอาตัวรู้เป็นหนึ่งเอาตัวรู้เนี่ยมารู้ลมหายใจไว้อะไรเกิดขึ้นไม่สนเรื่องหนึ่งต่อหนึ่ง มันจะเกิดชิดเกิดเนื้เกิดชอบเกิดช่างเกิดง่วมเกิดฟุ้งซ่านไม่สนใจสนใจแค่หนึ่งต่อหนึ่งแต่ไม่คำว่าไม่สนใจนี่คือไม่ไปทําลายมันด้วยนะถ้าคุณไปทําลายมันคุณสนใจไหมสนใจแล้วถ้าคุณเพลยไปกับมันคุณสนใจไหมสนใจแล้วนั่นแหละก็คืคุณสนใจทีนี้คุณไม่สนใจสนใจหนึ่งต่อหนึ่งเช่นถ้าเราเคลื่อนไหวนะพราเคลื่อนไหวนี่คือหนึ่งตัวอาการเคลื่อนไหวนี่หนึ่งแล้วตัวรู้ก็เข้ามารู้กับเคลื่อนไหวอันอื่นเกิดขึ้นปล่อยให้หมดฝึกอะไรรู้ไหม ฝึกรู้ปล่อยไม่ใช่ฝึกรู้เอานีบบ่จะบอกให้คนละเรื่องเลยพวกเราเลยฝึกจะเอาก็ลูกเดียวไม่ได้เอาอะไรทั้งที่ไม่มีอะไรให้เอาจะอาโอกาสไม่เอาได้ที่ไหนเนี่ย <c ười> ใช่ไหมฝึกรู้เนี่ยหนึ่งตอนหนึ่งคือฝึกรู้แบบนี้ยเนี่ยอะไรเคลื่อนไหวหนึ่งแล้วก็เอาตัวรู้ไปหาดซ้อมรู้แล้วแยกให้ชัดว่าตัวรู้อันหนึ่งตัวตัวเคลื่อนไหวคือสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม อย่างเงี้ยเรีาหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อทําให้อะไรเพื่อทําให้ตัวรู้มันมั่นคงให้ได้เราต้องการแล้วตัวรู้เรามีอยู่แล้วแต่ตัวรู้เราเริ่มยังไม่ตั้งมั่นเฉยเฉยไม่ตั้งมั่นเฉยเฉยไม่มั่นคงเฉยเฉยมันเท่าเราไปติดกับอารมณ์เฉยเฉยเราต้องการฝึกให้มันตั้งมั่นเพื่อเพื่อตัวมันเองจะแยกแยกตัวเองออกจากอารมณ์ท่านนั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรทําไมมีเยอะ นี่ก็หนึ่งต่อหนึ่งใช้เวลาเท่าไหรนะ่เ <c> น <oughs> <c oughs> okay, ี่ยโอเคเดี๋ยวจะไปจบนะหนึ่งต่อหนึ่งอันเนี้ยให้เข้าใจชัดๆว่ะเลยเลยเราไม่สงสัยเลยว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนนอมบ้างพุทโธบ้างยุบหนอพองนอมบ้างสัมมาอารหงังบ้างเพ่งลูกแก่นนั่นกําลังท่านใช้อารมณ์หนึ่งต่อหนึงง่งรู้หนึ่งสิ่งที่สุกรู้หนึ่งเป็นหลักเอาให้มันเด่นกันไว้เพื่อจะซ้อมภาวะรู้นี้ให้มั่นคง มันคงที่จะไม่ให้วอกแวกกับอารมณ์อื่นอย่าไปกอารมณ์อื่นนะแต่อย่าห้ามอารมณ์อื่นนะในเวลาเดียวกันปุ๊บมันจะเกิดการเรียนรู้อารมณ์อื่นไปด้วยมันมีแน่นอนมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปมันเกิดมันก็ดับมันจะเริ่มจิตมันจะเริ่มเรียนรู้ไทยลักกันไปดเองเสร็จแต่ถ้าหนึ่งตอนหนึ่งปุ๊บก็เมื่อมีสมาธิเมื่อไหรปัญญาจะเกิดใช่ไหมชัดเจนเลยเมื่อมันตั้งอารมณ์หนึ่งตอนหนึ่งปุ๊บมันจะเริ่มเห็นอารมณ์ต่างๆ แต่สภาพเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ด้วยนั่นแหละคือปัญญาเกิดเห็นไตรลักษณ์ของสภาพอารมณ์รอบๆขึ้นสมาธิตั้งมั่นเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองรอนั่นไหนเขาเรียกว่ารู้หนึ่งแล้วก็เรียนรู้พิจารณาไตรลักษณ์ไปเสร็จคุณคุณตั้งมั่นเมื่ไหรคุณจะเห็นสิ่งวันไหวรอบๆตัวใช่ไหมแต่คุณวันไหวเมื่อไหร่คุณไม่เห็นสิ่งที่ตั้งมั่นรอบๆตัวคุณหรอกใช่ป่ะนี่ก็เรืองอ๋หนึ่งต่อนึงมาใส่กันเลยนะแต่ต้องรู้ให้ชัดนะว่าอันไหน กันแน่พอบางครั้ ง, งบางคนปุ๊บอะเช่นหนึ่งต่อหนึ่งไปสนใจตัวเคลื่อนไหวไม่สนใจตัวรู้นี่คือข้อผิดพลาดไปสนใจอารมณ์ที่ถ้าสมมติว่าเขาใช้พุทธโธเขาไปสนใจพูดโธเขาไม่สนใจรู้พูดโท อ, อย่างเงี้ยเขาฝึกหนอปุ๊บก็ไปสนใจคําหนอเขาไม่สนใจตัวรู้หนอ่ออย่างเงี้ยใช่ไหมเอเพลงลูกแก้วก็ไปสนใจลูกแก้วเขาไม่สนใจตัวรู้ที่รู้ลูกแก้ว อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาใส่คำํำคำเช่นเขาใช้คำบริกรรมเช่นสัมมาอรหังสัมมาเขาสนใจคําบริกรรมสัมมาอรหังเขาไม่สนใจตัวรู้ที่รู้สัมมาอรหังเหมือนพวกเรานี่แหละยกมือกันไม่สนใจไม่สนใจมือไม่สนใจตัวรู้รู้มือเนี่ยไม่สนใจตัวรู้ที่มันรู้มือเนี่ยใช่ไหมไม่สนใจตัวรู้เคลื่อนไหว ไปสนใจตัวเคลื่อนไหวพอไปสนใจตัวเคลื่อนไหวพวกคุณก็ไม่เห็นเอตภาวะาของตัวรู้แล้วที่มันเป็นธรมมนนธรมชาติที่เป็นธรรมดาคุณก็แยกออกไม่ออกประเด็นแยกไม่ออกว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกรู้อันไหนคือตัวรู้จะย้ําตัวนี้ก่อนเป็นไงเมื่อไม่สนใจไปพัฒนาผิดตัวพัฒนาผิดตัวฉันเดินจงกรมองมากฉันเดินจงกรมมากสร้างะจอกมากฉันรู้สึกกับฉันได้รู้สึกตัวเยอะๆใช่ไหมไม่รู้ เดินเข้าไปยิ่งเดินเข้าไปยิ่งทราบคิดตเตลเิดเปิดเปล่งพุง่งทราบไปหมดเลยไปจัดการนู่นนี่นั่นทั้งที่จัดการไม่ได้โอ้ยไปวุ่นวายหมดเลยแล้วก็บอกโอฉันได้ภาวนาแล้วนั่นภาวนาอะไรใช่ไหมภาวนาคือพัฒนาภาวะเนี่ยพอเข้าใจใช่ไหมหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ยต้องจับประเด็นชัดว่าตัวรู้นเราเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อใช่ไหมผลสุดท้ายอะเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่อระลึก เพื่อต้องการที่จะเรียนรู้ถ้าตัวนี้ไม่เกิดนะถ้าภาวนาแล้วตัวนี้ไม่เกิดนะกรรมฐานอันใดก็ตามถ้าไม่เกิดภาวะนี้เนะี่ยกรรมฐานอันนั้นเนะ่ะไปไม่รอดทุกวิธีเลยถ้าไม่มาพัฒนาเพราะจุดนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การเรียนรู้อะไรเยอะๆอ่ะหนึ่งต่อสองที่ภายในภายนอก ภายในภายนอกหนึ่งต่อสองนี่คือภายในภายนอกภายในภายนอกโดยอาศัยหลักเช่นภายนอกมีอยู่ห้าภายในมีอยู่หนึ่งแยกเลยนะตอนนี้เริ่มแยกเห็นชัดแล้วภายนอกมีอยู่ห้าคืออะไรธรรมชาติมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอันนี้เนี่ยภายนอกอันนี้มีกลังบกพูภายนอกหรือภาษาเรียกว่ารูป ที่เขพูดพูดกันนะเรื่องรูปแต่ทามาว่าถ้าคําพูดนี้นจะเข้าใจง่ายเนาะภายนอกเป็นอย่างนี้นะภายในคืออะไรพอใจไม่พอใ จ, อใจคิดนึกเบือ่อเซ็งอุดอัดขัดเคืองพรุงสร้างรําคาญสงบอะไรดีใจเสียใจอันนี้ก็ภายในนี่แค่เอาตัวรู้นะมาเรียนรู้ระหว่างสองตัวนี้แค่เขาเรียกอะไมาเริ่มมาเรียนรู้ระหว่างเนี้ยภายในกับภายนอกอะหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสอง มันจะเริ่มนล้วทีนี้ถ้าคนไหนเอาหนึ่งต่อหนึ่งได้ปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีภาวะว่าตัวลูกเข้มแข็งแล้วขยับตัวเองมาแยกเราแยกรูปแยกน้ำนั่นแหละเอาแบ่งไปนะข้างนอกอะไรมากระทบปุ๊บอะไรมากระทบปุ๊บก็เอ้สิขึ้อย่างตาเราเห็นปั๊บเนี่ยอย่างอ่ะตาเห็นโยมเนี่ยอรรมาดีใจโอ้ตั้งใจฟังเขาใจมากเลยแต่ไม่รู้เขาใจกว่าแต่ในใจมันรู้สึกโอ้ดีใจภูมิใจแล้วพูดจริงนะนเดดเดดเนี่ยคือข้างในละมึงโม่มึงโม ข้างในเขาจะงงกับมึงก็ไม่รู้เรื่องก็เห็นข้างในมันปรุงมันอะ่ะใช่ไหมเราก็เห็นข้างในปรุงแต่ข้างนอกเราก็เห็นตาโยมเน่ยเห็นโยมเห็นีคนปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่ก็ข้างนอกแต่ข้างในเราก็เห็นมันทํางานเนี่ยตรงเนี้ยคพราะเรากําลังฝึกหนึ่งต่อสองเนี่ยแต่มานั่งรถมาเมื่อคืนอ่ะมาถึงนี่เกือบเที่ยงคืนเน่ยฝึกมาตลอดทางอ่ะหนึ่งต่อหนึ่งคือทั้งตา อะไรผ่านวับ ร, บรู้วับรู้วับรู้วับรู้หมายว่าสิ่งที่ผ่านนะั่นคือรูปที่มาผ่านเนะี่ยแสงไฟที่มาผ่านปับนะ๊บเนี่ยมันคือคือหนึ่งใช่ไหมตัวรู้ก็รู้เราได้รู้แล้วได้รู้แล้วได้รู้แล้วตลอดสบายเลยนั่งรถมาเฉยๆก็ฝึกเลยใช่ไหมบางทีเอาหนึ่งต่อหนึ่งทางตาก็มีเอาหนึ่งต่อหนึ่งทางกายก็มีเช่นมันยะแยะมันสั่นครูก็รู้มันขยาย ห, หวยตัวก็รู้ มันปวดเมื่อยก็รู้เนี่ยก็เรหนึ่งต่อหนึ่งคือทางกายหนึ่งต่อหนึ่งคือทางหูเสียงก็ทะลึ่งเนี่ยแค่นี้แค่นี้แค่นี้หนึ่งต่อหนึ่งทางหูก็ได้อีกหนึ่งต่อหนึ่งทางจมูกก็ได้เวลาเรากินข้าวอันเนี้ยได้กินนี้ไปเรหายได้กินนี้ไปเราหายได้กินนี้ไปลรหายโอ้ได้เยอะแยะเลยหนึ่งต่อหนึ่งทางใจไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมาก็เอารู้เอารู้เอารู้พอสุดท้ายมันจะเหมือนกับเราอยู่ตรงกลางแล้วมีโหมีสิ่งที่มากระตุ้นเราตลอด นหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยขยายไปทั้งหกก็ได้อันนี้เขาวกกลับไปเมื่อกี้ก่อนนะเอามาหนึ่งต่อสองเแยกออกนะเวลาจะจบหนึ่งต่อสองคือแยกเป็นสองส่วนเลยนอกในนอกในนอกในทีนี้ถ้าภาวะตัวรู้มันตั้งมามันจะสนุกในการเห็นอ๋อมาแล้วปุ๊บปรงอย่างนี้นะ คนนี้ทําดีกับเราปุ๊บวุ้งเราชอบใจเนีคนนี้ทําไม่ดีกับเราปุ๊บเราไม่ชอบใจเราุดาเราไม่ได้เกี่ยวเลยไม่จะเกี่ยวกับอารมณ์เลยเห็นอารมณ์มันปงแต่งกันเองส่งต่อกันเองอาารเราเผลอไปทําตาปุ๊บมันบังคับกายวาจาใจึทำคทางนี้อีก <laughs> มันจะเป็นวัฏาจาักรวนเลยแล้วก็จบไปก่อตัวใหม่แล้วก็จบไปเขาเรียกวัฏตะจะวนไปเลยแต่พอภ า, าวะของตัวรู้มันถอดตัวเองออกมากระเด็นตัวเองมาปุ๊บเนี่นะมันจะเริ่มหลุดออกจากวัฏต์สงสาร คนเนี่ยสอบผ่านถ้าพวกคุณสอบตกนะเป็นนักเรียนสอบตกคุณต้องเกิดอีกเกิดมาทำข้อสอบอยู่อย่างนี้แหละรู้หรอกนี่คือข้อสอบคุณต้องสอบให้ผ่านคือสอบผ่านไหมละตัญหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นของในโลกนี้ได้นะคุณสอบผ่านถ้าคุณไม่สอบผ่านคุณอย่าไปร้องนะเพราะยังสอบตกอยู่แล้วก็ต้องมาสอบสอบอยู่นั่นแหละเนี่ยธรรมชาติจะสร้างขึ้นมาให้เราหัดสอบเกิดมาเพื่อสอบ เกิดมาเพื่อทําข้อสอบตัวเองให้ผ่านถ้าทําข้อสอบไม่ผ่านก็ต้องไปไหว้ตายเกิด อ, อย่างนี้แหละเช่นเราก็หัดหนึ่งต่อสองเนี้ยหนึ่งต่อสองใช่ไหมแยกกันไปเลยแบ่งไปเลยมันจะดิบถ้าเราแยกนี่ได้ปุ๊บเราก็จะเริ่มมีตัวรู้เด่นขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ทั้งสองฝ่ายเรียนรู้ความเป็นแตรลักษณ์ของมันทั้งหมดเรียนรู้ความเป็นไม่แน่นอนข้งมันทั้งหมดเรียนรู้เพื่ออะไรเนีย่ยผลสุดท้ายที่ใจไปอยู่ประโยคสุดท้ายอะเป้าหมายคืออะไร งั้นก็สรุปแล้วก็ต้องพูดแล้วอก่รู้แล้วนี่จบเนาะงั้นเอาหนึ่งต่อสองที่ต่อมาหนึ่งต่อหกเมืนเน่อทางไหนก็เอา một, หมดสนอหนึ่งต่อ6กเนี่ยมาทางตาก็เอามาทางหูก็เอามาทางจงมูกก็เอามาทางลิ้นก็เอาทางกายก็เอาทางใจก็เอามาทั้งหมดเลยหนึ่งต่อหกทีนี้มันจะเหมือนกับไอ้พวกนี้มันฟุ้งซ่านแต่เราตั้งเฉยเมืม่อภาวะของตัวรู้ที่เป็นสมาธิคือตั้งมั่นแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะใช่ใช มิจะมาแบบไหนก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ไปแบบนั้นแหละไม่ต้องทําอะไรเลยหรอกหนึ่งต่อหกเนี่ยหมายว่ามันมีตัวรู้ตัวเดียวแต่เรื่องมันมาเป็นล้านเรื่องพันเรื่องเบอเรื่องแสนเรื่องก็ตามแต่ใจไม่หวั่นไหวเพราะมันมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นแหละไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกเพราะยไงไงมันก็ไปอยู่แล้วไมนเหมือนใครมาเยี่ยมเราเดี๋ยวมันก็ไปจากเราอแล้วเราจะไปวุ่นวายอะไรกับมันอยื่เฉยๆอยู่ที่ไหนยังไงแบบไหนแบบธรรมชาติจะเข้าใจ ทีนี้พอได้ตัวรู้นี้ตั้งมันแล้วก็เอามาเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของเรื่องพวกนี้เรียนเรียนรู้วา่ามันไม่แน่นอนนะทีนี้มันจะสรุปเดียวทุกเรื่องไม่มีอะไรดีกว่าอะไรเลยแล้วไม่มีอะไรเร็วกว่าอะไรเลย ม, มีแต่เรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปมันจะส่งผลตัวสุดท้ายคือตัวอะไรรู้ไหมผลที่เราจะเรียนรู้เนี่ยคือวามันให้หมดทุกเรื่องสู่ความเป็นอิสระ แล้วตรงนั้นมันจะว่างหรว่าคือว่างหรือไม่ว่างไม่รู้ฉันอิสระแม้แต่ว่างแล้วไม่วางว่างก็หมดอิสระภาพอความเป็นอิสระนี่ไม่เกี่ยวกับว่างหรือไม่ว่างนะอิสระเนี่ยก็เหมือนกับเราเอาโซ่ไปผูกต้นเสาแล้วเอาผูกข้อมือเราใช่ไหมไปไหนก็ไม่รอดติดเงาะแงงอย่างเั้นใช่ไหมใช่ไหมจะไปก็ยังห่วงมันน่ะใช่ไหมแต่วันหลังเราสมมติเสาเป็นเปลวว่าง แต่โซ่เราอะเปนตัวเชื่อมคือตัวตัณหาและอุปทานมปนเชื่อมผูกข้อมือเราไว้อะใช่ไหมแม้แต่ว่าว่างยังติดก็มีอ่ะใช่ไหมมันติดอยู่ะพยายามไหมพยายามจะทําให้ว่านั่นแหละก็จะติดว่าแต่พอเราปดตัวนี้ได้ปั้มคืออะไรมันจะว่างก็เรื่องมึงไม่ว่างก็เรื่องมึไ ม, งม ไ, มงมไม่เกี่ยวเนยไปแล้วไปแล้วอย่าคิดดีคิดชั่วไปแล้วไม่สนอะผลท้ายมันจะเป็นสภาพเห็นธรรมชาติมันสลายตัวเข้าไปอย่างนี้ทั้งหมดเลย เขาเยกว่าอิสระจิตโพสต์ท้ามนจะเข้าใจปฏิบัติธรรมสุดท้ายจะสรุปคืออะไรรู้ไหมไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะไม่ได้อะไรเลยสักอย่างบนโลกนี่นั่งดูไปดูว่าโอ้เราไม่ได้อะไรเลยนะเราเกิดมาบนความไม่มีอะไรเลยอยู่บนความไม่มีอะไรลแล้วก็ไปถูงความไม่มีอะไรเลยแล้วที่มีมอยู่นี่คืออะไรได้ใช้สอยร่างกายได้ใช้สอยรอวันตาย ทุกอย่างเสือ้อผ้าอาภรณ์ทรัพย์สินสมบัติทั้งๆได้ใช้สอยมันเพื่อครับประคองชีวิตรอวันไม่ได้อะไรเลยนี่แหละคือที่สุดมัอนอ่นฉะไรไม่ต้องทำคงสรุปจบเด้วแล้วนะอะไรต้องทำไม่ต้องทำนี่เข้าใจนะอ้าเข้าใจว่างไงเข้าใจยังไงอ้า อะไรไม่ต้องทําบ้าเอาเอาง่ายสรุปได้มไหมที่ไม่ต้องทําอะไรง่ายๆเออนั่นแหละไม่ต้องทํามันตาหูจมูกเล่นกายใจรูปเสียงจิ่นรสสัมผัสแต่ใจที่ต้องควบเว้นหน่อยนะว่าอารมณ์น่ะอารมณ์ทางใจไม่ต้องไปทํามันแต่ตัวใจต้องทําคือตัวใจตัวภาวะอรู้อ่ะตัวใจคือตัวภาะรู้ต้องฝึกเขาให้เข้มแข็งเท่านั้นเองแล้วอย่าไปทําอะไรกับเขาอย่าไปทะเลาะกับเขาพวกนี้อย่าไปห้ามเขาเคไม่มา เขาไม่ต้องแยห้ามเขารเราก็จะมาก็ เ, าเรื่องของเขาจะไปก็เรื่องเขาเนี่คือไม่ต้องทําทําหน้าที่คือทําใจทําใจคืออะไรทำใจรับรู้มันรับรู้มันแบบไม่ต้องไปทํามันมันยากหรือ ง, ง่ายก็แล้วแต่และเนี่ยคือหนึ่งแล้ววิธีทําก็คือบอกแล้วว่าหนึ่งต่อหนึ่งที่เราอาศัยเครื่องไหวนี่แหละแต่ให้รู้จักเลยดีว่าต้องทําประเด็นแรกคือต้องแยกให้ชัดก่อนว่าอะไรคือรู้อะไรสิ่งที่ถูกรู้แยกให้ดีๆก่อน มาแยกให้เป็นปั๊บแล้วแล้วก็มาฝึกหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองนอกในหนึ่งต่อหกหรือหนึ่งต่อล้านเรื่องอย่างเงี้ยเพอตัวรู้มันเข้มแข็งแล้วมันก็จะเรียนรู้แล้วพอสุดท้ายนะจะสรุปให้แม้แต่ตัวรู้นี้ก็คือญาณปัญญาท่านเองที่เราไม่ไเอาอีกเออโอ้อาศัยแทบเป็นแทบตายเลยนั่นไม่ได้อีกมันไว้กับเรือ อาศัยให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความปล่อยวางเกิดความเข้าใจเกิดสุอิสระก็ต้องอิสระจะไม่งั้นผูกติดอีกอ่ะแต่ตอนนี้อย่าพ <c oughs> ิ่งถิบถ้าถิบตอนนี้คุณไปไม่เป็นคุณก็หัดมันก่อนหัดไปหัดไาหัดไปจิตที่คุณเรียนรู้ตจรักเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, เ, เนี่ยเป็นจิตที่ทําให้คุณปล่อยอะไรได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายคุณเห็นความไม่แน่นอนเข้ามันไม่แน่นอนเข้ามันไม่แน่นอนวคุณง่ายๆง่ายๆแล้วกัน คุณอยู่กับใครที่ไม่แน่นอนอะคุณจะไว้วางใจมันไหมแห็นเลยเห็นง่ายๆล่ะไอ้นี่มันไม่แน่นอนอะให้เงินมันก็ไม่แน่นอนจะไปทําตามที่เราให้หรือเปล่าเราจะให้มันไหมอืมให้ทํางานก็ไม่แน่นอนมันไม่รู้จะไปทําตามที่เราให้ทําหรือเปล่าเราจะให้มันไหมเพราะท่านใจเราเนี่ยมันรู้จักว่าให้ไปดูว่าอะไรไม่แน่นอนเท่านั้นแหละใจมันจะรู้เองมันแล้วปล่อยเองมันละเองมันไอ้นี่ไม่แน่นอนอาศัยไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตัวตลอดปุ๊บใจจะเป็นยังไง ไม่ต้องไปบอกมันนะไม่ต้องไปสอนมันนะแบบเราอยู่กับใครกันไอคนนี้ไม่แน่นอนกูไม่เอากับมึงอ่ <c oughs> ประมาณนั้นแหละยันถ้าฝึกอย่างนี้ป้าบมันจะรู้จักเลยโอเคเลยเพราะผลสุดท้ายไอภาวะรู้นี้เหมือนก็ไม่แน่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีเอา้าผลสุดท้ายมันจะเกิดภาวะของตัวสติปัญญาตัวเดียวที่ไปควบคุมของธรรมชาติทั้งหมดเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดอยู่กับธรรมชาติทั้งหมดและอิสระจากธรรมชาติทั้งหมด แต่อยู่ด้วยกันเป็นเงี้ยนี่คืออันที่ส่งเขามันทั้งหมดสามประเด็นที่พูดหลักให้อไปไปมาพอเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจอีกเมื่อลงมือไปทํำมั่วเหมือนเดิมอก็ไม่เป็นไรฟังไว้ฟังมาฟังฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็ทําบ้างฟังบ้างทําบ้างฟังบ้างทําเพราะว่าที่ฟังทั้งหมดจะกลายเป็นธรรมสัญญา แต่คุณทำแล้วคุณไปเจอในปัจจุบันนะั่นคธรรมะของยานปัญญานะแล้วสรุปสั้นๆ ส, สิ่งที่พูดทั้งหมดตัวรู้เกิดตอนไหนจบให้ฟังก่อนเดี๋ยวไม่ใช่รู้จังจะไปทำไงอีกอดีตไม่ใช่ตัวรู้อนาคตไม่ใช่ตัวรู้แต่ปัจจตัวรู้นี่แหละเกิดปัจจุบันอะไรมากระทบปับ๊บตัวรู้จะเกิดขึ้นทันทีจับหลักง่ายๆเกิดขึ้นทันทีแล้วเกิดขึ้นสั้นๆถ้าเกิดยาวเมื่อไหร่นะผิดทันที ได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยมันจะจบเนี่ยเฮ้ยกี้ที่ยินเสียงอะไรระหว่างสองตัวกี้เมื่อกี้ที่ด้ยินเสียงดังกักแล้วจบกับคิดเนี่ยอันไหนอันไหนคือตัวรู้พอชิดปุ๊บเนี่ยก็คือตัวรู้อีหลังหนึ่งแล้วไปรู้คิดแต่เมื่อกี้เนี่ยตัวรู้มันรู้แล้วเสียงกระทบแล้วจบได้สองรู้สองเด้งเนี่ย <laughs> ไน้ของมันฟังไวของมันความเร็วของมันเนี่ยโอ้เราไม่ต้องไปห่วงหรอก แค่ดังก๊อกเนี่ยยินเสียงระคังไหมเมื่อกี้อะตัวรู้ด้วตัวคิดตัวนี้เสียงระคังเสียงระคังที่ดังเมื่อกี้นั่นแหละคือตัวรู้ที่มากระทบแล้วจบแล้วคิดว่าได้ยินเนี่ยกับตัวคิดแล้วแหละไม่ใช่ตัวรู้ก็ต้องรู้มันด้วยว่าเอามันกําลังคิดว่าเนี่ยไวไหมมันทํางานกันเร็วไห้เอ่าค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปแต่เงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยจับหลักให้ได้วอะไรกระทบ ป, ปุ๊บเรารู้จบ เรทบปุ๊บแล้วรู้เรทบปุ๊บเรารู้มันจะจบไม่จบไม่ต้องไปสอนแค่เอายินดีมีความสุขอยู่กับตัวรู้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือรุ่งอรุณของตัวภาวนาบอกได้เลยรุ่งอรุณของตัวภาวนาจริงๆแล้วยินดีมีความสุขกับตัวรู้ได้เมื่อไหร่ทีนี้เรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามปล่อยมันปล่อยมันเอามันมังซ้อ ม, ม, ม óm, รู้อย่าไปซ้อมคิดทําบ่อยๆทําบ่อยๆก็เดี๋ยวตัวรู้จะชํนานาญในการรู้อีก เหมือนกับตัวคิดแล้วจะเริ่มเป็นออตโต้เป็นอัตโนมัติเป็นอะไรที่มันเป็นแบบไม่ต้องทำอะใช่ไหมเหมือนคิดเน่เหมือนกับเหมือนคิดนี่แหละมันมีอยู่แล้วแต่เราฝึกมีสติบ่อยๆเช้านี้ให้แค่คิดแค่แคแคแคแนี้นะแค่นี้ก็ไปทำจนตายแล้วละ่ะแต่ได้แน่ได้แน่เซึ <S <S ้นทางนี้มีมีบางวัลแน่ชัดเจนข้อสอบนี้ ส, บสอบผานนี้จบแน่ จบจบจริงๆไม่ต้องมาเวียนสอบซ้ำนะขออนุมทนาสาธุในการตั้งใจของทุกๆกคนก็ขอให้ความตั้งใจของทุกคนนีจงสำเร็จผลก้าวหน้ามีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นให้สมกับเราเป็นชาวพุทธเกิดในพุทธศาสนามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพวกเรามา ขอใหก้การเดินเส้นทางนี้ของทุกคนจงประสบผลสำเร็จสู่ความสันติสุ ข, สสขด้วยการทุกขั้นทุกคนเทินสาธุ